ตรงทั้งคือทั้งใจเมื่อถึงมีมโอกาสในระลับนักปั่นเสือของป้าตัวนั้นเรามีโตกะป่าที่ในโลกของความวุ่นวายที่องค์สมัยพัะพุทธเจ้าบอกว่ามนุษย์เคนไทยชีวิตเนี่ยอยู่ในความภาวะ ภาดทางอยู่สมละเมิเพิพ้อในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ในการเกิดของเราในชาติคือกเหมือนกับบรรที่อยู่กับแสงสีที่ยินดีที่ผูกขาดสมองหรืกาจเป็นธาของพิเลที่กำลมาหลอกเรา เมื่อวานนี้เราได้สอนเป็นนะอารินักบุญนักปฏิบัติขึ้นมาที่หลังก็ไปขอเทไปฟังก็ต้องแฝงเราก็จะไม่หอลอกจะต่อไปเลยอันดักแรกนักปฏิบัติทั้งหลายก็กงเข้าใจที่ใจก่อจะที่ันเส้นทุกๆ เราสร้างมโนมโนเข้ามาถึงว่าการสิ่งนั่นก็นคือเพ่งไปที่ใจให้สวาดกระโดดดัง น, นั้นเราว้อนี้งเขาไว้ก่อนที่จะทำอย่างนี้เนี่ยเราได้สอนไว้ตั้งแต่วันว่าค่อยๆสวดมนตหายใจเข้าพุกึกไม่เก็นท้องเป็นปอง แล้วก็ค่อยคลายลงในใจจะท้องแห้งแค่สังการการที่เราทำแบบนี้เนี่ยในขณะที่เราถอนเตียงเดี๋ยวมันก็จะระเห ย, ยขึ้นจิตของเราเนี่ยก็จะระเห ย, ยขึ้นเนื่อกับเรานั้นไม่เคยฝึกอยู่ในมิเตความดีใจเสียใจความตกใจค ว, ว ค, วกความกลัวความรักความกล้า ความโลงเนี่ยมันทำให้ชีวิตรเราเนี่ยแรปรปล่วนตามอารมณ์ของกิเลสเราตกร่างกายการหายใจก็ไม่ปกตินั่นเราก็มีพื้นฐานหรือการหายใจในการดลอกเป็นเพียงตัอหายใจเข้าใใ พ, พูดหายใจออบโผลพุกแปลว่าผู้รู้นักปฏิบัติจะต้องรู้พื้นฐานของการปฏิบัติ รู้เหตุรู้ผมถ้าไม่มีต้นเหตุเรจะเกิดปฏิปปใจในสิ่งที่เราเป็นผู้ทาไมเราจึงต้องเสียใจทำไมอะไรมันทำให้เราผิดหวังตัง น, นั้นฟังเวทีเมื่อวานนีแล้วแล้วก็ฟังคนที่เขาถามกันได้ยินบ้างก็ได้ยินบ้าง ทุกคนก็มีความทุกกับความรักจากพ่อแม่จากสามีภรรยาจากคนที่คาดคิดคาดหวังไเราไม่จิตใจหัวหมองเพราะว่าเรานั้นมีหมองจะ่ไม่ชุดทุกตัวเองเพราะนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายอย่ามงโง่โมงงายเหมือนวัวงหือนควายตัวใหญ่สึดเปล่ามีกำลังเยอะ แต่ว่ามักจะเอาเรื่องของเขาอะมาใส่สมอง <c oughs> เราแสดงว่าคนที่มันงอเนี่ยมักจะเอาเรื่องของคนอื่นก็คือนิวรณ์ทาง5คนที่จะเป็นอาเรียบุคคลได้จะต้องรักษาศีลสมัิปัญญาพื้นฐานของศีลก็คือความสมบรณ์ทางกาย วาใจาแล้วก็ทาเรื่องวิสุทธิที่มีความมีความบริสุทธ์เมื่อรวบรว ม, รวมสิ่งแต่แล้วเราก็เข้าสู่ภาวะของสถิเมื่มีสติสติก็คือความรู้ทัวตัวเราเรามารับาสายสูงสบบกายสงบวาา่าใจแล้วก็สงบใจก็คือรับแต่ค ว, วามวุ่นวายแากบ้านมาอยู่สภาวะ การเราี di en, di en. Ici, ่ยนเพียนตรปบัดนีละบาลามีต่ะบัดก็หมายถึงว่ามีความแรงมีความแข็งมีความเก่งกล้ามีความเด็เดียวก็คือสมาธิสมาธิก็คือความตั้งใจมั่นว่าเรามั่นใจแล้วก็ตั้งใจมาแล้วเนี่ยเราก็กำหนดใจของเรา กำหนดกายกำหนดวาจาที่เราเคยฟุง้ทงท่านพูดคุยโดยที่ตอบถูกบ้างไม่ถูกบ้างรู้บ้างไม่รู้บ้างเป็นบุคคลที่เพ้อเจอ้อระเบ้อเพอพรมาตลอดเมื่ อ, อ, อนคนบา้าขักสติไหลขึันใหญ่จะลอมาฝึกสติในพื้นฐานสติคือความรู้ตัว ในขณะนี้ที่เราสุดมาด้เรารู้ตัวเลยว่าเราจะกำหนดอย่างไรก่อที่หลวงพ่อบอกมาชัง่เมื่อเรากาหนดรู้ใจของเราแล้วเนี่ยตั้งความสว่างยิ้เข้าไปในใจพอยิ้เข้าไปในใจรามองเห็นใจทีีเตอยู่ให้สว่างเหมือนแบบดที่มันเต้นเดืดก็ได้ เป็ต่อเกาสว่างสวยัยจนถึงกับเขาลูกนี้ยสว่างเลยทั้งเรื่องคำว่าสว่างก็คือปัญญาเมื่อเราขึ้นสมาธิมองเห็นในใจเราแล้ ว, ลวเราก็สร้างใจของเราหรืมโนเนี่เห็นตัวเองในขนาดนี้เมื่อเห็นตัวเองเนี่ยเราก็เห็นว่าตัวเองในกำลังนั่ง น e, ั ios, ่งทำไรก็กำลังหลังงามเนี่ยเรียกว่าจติดประกอบเข้ามาด้วยสมถะวิความสำราเมื่อเรามีสมถะสมถะก็คือการพิจารณาการในกายนั่นเองเมื่อเราพิจารณาเห็นใจตัวเองปกติเราก็เคยเห็นใจเกิดขึ้นวันนี้เราก็มาเห็นใจทําใจของเราเนี่ยให้โปร่งสว่างทํำยังไง ทำยังไงให้ใจวสว่างใสได้ใจก็ไม่หวั่นหุนใ จ, จก็คิดว่าที่นี่ไม่วุ่นวายหรอถามสั่งตื่นอะไรแลที่นี่ไม่วุ่นวายหรอเมื่อจิตใจใเราไม่วุ่นวายเนี่ยเราก็ถามใจเราอีกรู้เข้าเป็นอย่างใจว่าที่นี่ไม่ขัดข้องหรอ เราไม่ขัดเคืองใจฟารู้สึกเราในขนาดนี้ยเราไม่ขุน่นเคืงใจไม่ขัดใจเราไม่บุบไหวหนอเราไม่ขุน่นเคืองใจหนอนะเราไม่ขัดห้องขุ่นเคืงใจซะแล้วเราพอรู้สึกว่าเราทํำใจเนี่ยให้ว่า ว่างหมายถึงว่าใสาสะอาดต้อจัดความรู้สึกต่างๆออกไปเห็นความนึกคิดคุแูแตนนน่ดใดๆดับชาญยาอะไรยันลกทิ้งหมดให้มีสติรู้ว่าเรากำลังทำสมาธิอยู่แต่เราก็ายาเข้าใจที่ะบบฝึกเรามีกับคนอื่นเนะเข้ามาในใจเราเนื้อใจก็คือจิตมีญาณ ก่อนที <imir> ่เราจะเป็นอริยบุคคลเนีเราจะต้องมีศีลสมาธิมีปัญญาศีลประกอบด้วยหลายอย่างเราก็รับสารศีลแปดเราจะไม่พูดถึงศีแปดว่ามีอะไรบ้างสรุปแล้วสิ่งนี่ต้องมีสัจจสัจจบามีสัจจก็คือความจริงความจริงตัวนี้ก็คือความจริงใจนั่นเอง ก็คือความตั้งแต้มก็คือสมาธินั่นเองมันจะวนไปเวียนยาวถ้าเรานั้นไม่มีความคล่องไม่มีไม่มีความรู้ในคื้น่ายของการปฏิบัติเราก็จะวกไปเวียนมาลึงมงงอยู่ในตัวเราเองแล้วลพอเหตุการณ์หรืออาการของติดเนี่ยแปลตัวในสภาพที่เราไม่เคยสัมผัสรู้มาก่องอย่างเช่น เกิดปิติในขั้นต้นๆชื่อว่าหลวงพ่อสอนทุกคนเลยถ้าเกิดการอาการปิติปิติก็หมายถึงว่าบางคนก็เหมือนกับโยกเอนเหมือนกับจะลอยๆบ้างบางคนก็เหมือนกับวูว่าขนลุกขนหลองที่มันเกิดอะไรขึ้นบางคนก็เหมือนกับน้ำตาไหลเหมือนกับจะร้องไห้ที่ทําไมเราร้องไห้ น้ำตาเลาคือายบางคนนี่น้ำลายยืดเหมือนกับเราหลุดพ้นไปอย่างไงแต่ว่าเรารู้ว่าเอ๊ะ t, ทำไมเราบังคับตัวเองไม่ได้บางคนก็สั่งเหมือนกบผาเดี๋วบอกติดติไม่ทรรลุทุกขนินิดก็แล้วเสร็จศรัทธาก็คือความเชื่อต้องมีความแสวงหามีความเชื่อในสิ่งทว่เามดีเท่านั้นดีตรงไหนดีอยู่ที่ใจ สรุปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมันจบที่ใจใจก็คือจิตกินยา่านัวนเมื่อจินกินยาของเราที่เกิดมาเนี่ยมันตกตวนอยู่ในสภาพของอิเลกบ้างอิเลกก็คือความโรคความหลงตอาให้จิตใจเราหมองเราก็มีตัดความโรคตอนนี้เราก็ไม่มีความอยากอะไรแล้ว กานยานบารมีอะไรเราก็อไม่อยากได้ตังบเดชอะไรทั้งหลายไม่อยากได้เราอยากได้สติสติก็คือความรู้ตัวอยู่เสมวส น, นะส น, น, นึงแล้วเรามีโอกาสที่จะฟังหลวงพอ่อวันหนึ่งวันหนึ่งเราไม่มีแต่โอกาสคิดแต่เรื่องงานคิดแต่เรื่องคำพูดของใครของคนคนในครอบครัว ในเจ้าลูกในเจ้าสามีภรรยาในเ้าญาติพี่น้องและเพื่อนสนิทที่สหายในหนงานในบ้านของเราโดยเฉพาะผู้ใหญ่ของทุนเสียงวันหนึ่งคืนหนึ่งเราแทบจะไม่มีโอกาสคิดถึงตัวเองเอย่างในขณะ น, นี้ในขณะนี้เนี่ยพอจิตเข้าสู่สภาวะสมาธิสมาธิเป็น ค, ความตั้งใจไหม เรามีความมาั่นเรามีความสวา่างมีความรู้เห็นตัวเองก็มีกต่ป ม, มเป็นผู้ขึ้นแห่งใจแบนี้เรามีโอกาสเป็นตัวของตัวเองแล้ในขณะ น, นี้เราไม่พังเลอให้กิเลสคือความโรโกรกหลงแล้วมาเกาะกินใจอยู่ในคัามนึกคิดงงเงาในขณะนี้ขาตัวยิ้ตัวนี้ ก, ตก็ตัวที่เป็นเมตตา ถ้าไปิตใจเราที่กระด้างกระเดื่องอารมณ์ที่มันเคยจุ่เตียงเนี่ยวนหมองเนี่ยมันก็นจะผลิตสารออกมาผลิตสารออกมาสารก็จะมาผ่อนคลายสภาพของฝั่งตึงเครียดหองกล้ามเนื้อหัวใจเมื่อผ่อนคลายเสร็จร่างกายก็จะขับสารที่มันเป็นทพทกออกก็คือความร้อง น, นั่นเอง ความร้อนของก้ามเนื้อที่เราทำงานะกะรเคลื่ะกายความคิดความคงแต่งการหายใจของเราที่ไม่เป็นปกติเนี่ยมันเหมือนกับทุกอย่างมันเป็นพลังงานที่มากเมืเม่อเราสมไปในน้อยน่ก็ร้อนน้อยนอยากให้มอกเข้าเนี่ยมันร้อนไวๆสุกไวๆก็เริไฟเข้าไปเ เรานั้นเสริมจินเหล็กึงความเร้เราร้อนเผาผ่านจิตใจเผาผ่านการการะทาการเวลาเราในตลดเวลาตนที่เราเนไม่รู้ตัวรู้ตนเลยดนันขณะนี้เรากำลังดับไฟไดับไฟก็คือดับความราคะโลภะโทสะโมหะดับจบ จิตได้กับโดยจะกรกายเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยมันมีความร้อนร้อนของกิเลสปัญหาราคามาก ม, มายกายกอมาหลายพวกหลายชาติจนเป็นสันดาลสันดาลก็เป็นอุ ป, ปนิสัยของเราเน่ยเริอุ ป, ปนิสัยของเรานะเกิดมาจากเตปัจจุบนก็ไกสัตต า, า, าจากภูมิพบางคนก็เกิดมาเป็นมนุษย์สมบัติ ก็คือมีลูปรักขีส่สวยงามลูกผิดถูกตัวดองรักษาสิ่งได้เดี๋ยวได้ลงมาอยู่กับกุ่มของสัตว์เนราชการความเป็นมนุษย์เราก็เริ่มหอดไปทำไมหลวงพ่อพูดแบบนี้ตอนนี้เข้ามาวิปัสสนาธรรมฐานเนีวิปัสสนาก็คือตัวปัญญาร่องรู้รู้ที่มาที่ไปของการเกิดและมันจะเผดไม่ได้ คนที่จะเป็นอริยบคุคคลอริยะก็หมายถึงว่าอัฉริยนั้นแต่ทางบาลีมไม่ทราบ่ามันแปลว่าอะไแต่ผมแปลว่าความเป็นอริยนั้ก็คือความฉลาดเมื่อก่อนเราโงก่กว่าจะมาฉลาดรู้ตัวรู้ตนมารักษาสิ่งได้จะมาดูมาฟังควรพิพูตรักษาช่วงเราต่ก็คอกำลัได้เนี่ย โอโห่เรจะต้องใช้เวลาใช้การเราเพียนเพียนอย่างมากเพียนก็หมายถึงว่าเพียนทยายามเมื่อมีความเพียนพยายามแล้วเนี่ยเราต้ก็มีวามงะอดทนก็คือขันติต้องรัดจากสามีภรรยารัดจับงานการที่จะต้องได้เงินได้ทองรัดจากความสุขก็คือกินเละก็คือการกินการอยู่การเที่ยวเตะ าการสนับสนานก็คือร้องนำทำเต็มแต่เรากับราบทุกสิ่งทุกอย่างรับแต่เวลาของเราเนี่ยไม่อยู่แค่2วันตั้ง3วันได้จะ ต, ต้องขอให้มราหมดพลางนกับคนที่อยู่ถึงเก้าวันได้ด้วตอกนกระน้องอนขนาดพักขนาดลูกเนมแม่ชีเนี่ยก็ยังขาดความมัก็มี อยู่กับปากอยากอยู่กับท้องเนี่ยจออยู่ปลายจมูกแต่ยังไม่รู้ลดลุ้มจิตเพราะนั้นก็เช่นเดียวกันคนที่มาก็เพื่อปฏิบัติล้วนแล้วแต่ต ล, ลาดเวงานแล้วก็เสียเวลาเสียทุกสิ่งทุกอย่างแต่เรามาได้ได้ซับไายในคำว่าซับภายในก็คือมีหัหมันซับพอร์ตตัวเองเมลรวบรวมสติปัญญาให้กับตัวเอง เพื่อจะได้ขึ้นเป็นอริยบุคคลความเป็นอัจฉริยญาเนี่ยมันเกิดมาตั้งแต่เฉพาะตัวเฉพาะตนของเราอยู่แล้วคนที่มีความเป็นอัจฉริยญาเนี่ยก็จะมีสตาวัดผู้ดำหรือสูงก็คือมีความคิดเรียนรู้อะไรเนี่ยเขาต้องเรียนรู้ได้ไวกว่าคนอื่นเรียนรู้ช้ากว่าคนอื่น มันมีติดตัวติดตนเรามาแต่เราเนี่ยมาเหือนกับว่น้ำอยู่กลางทะเลคนที่มีขอนเกาะก็คือมีทุนเก่าทุนเก่าเขาก็ใช้กำลังน้อยน้อยหน่อยเพราะมีสติปัญญาที่ที่รู้จักคิดจัอยู่จักินจัเก็บืคนที่ไม่มีขอเลยแล้วไม่รู้เ่าน ว่าการทะเลเลยไม่รู้ว่าฝ uh. ั eh? ่งมาใกล้เมืาไกลอยู่ตรงไหนม็นแคบกว้างมองหาดี้กขึ้นไม่ได้เลยไหวไปโดยการท้อแท้เบื่อหน่ายแล้วก็ปวดตายนั่นคนกลัวคนโง่ก็คือความกลัวเนอะเมื่อเราเป็นอริยบุคคลเราก็พิจารณาของสมาธสมาธก็เกิดการพิจารณาเข้าไปในจิตเรียกเป็นจิตใต้สำนึก จะได้มีเหตุมีผลมากขึ้นเมื่อเราพิจารณาเห็นตัวเองเห็นนั่งอยู่ในขณะนี้เนี่ยขยับไปเนี่ ย, ยเมื่อเราเห็นตัวเองเรานั่งอยู่แล้วเนี่ยเราก็พิจารนาว่าผู้ยนอชีวิตทุกอย่างในโลกนี้มันสมมติหมดความรักมันก็สมมติความโกรธก็สมมติมันเกิดขึ้นเอง มันเกิดจากอะไรเดี๋ยวจะบอกเป็นอริยะบุคคลอริยะเท่าอาริยะสองยังไปไม่ถึงเป็นอริยะบุคคลคนที่เป็นอริยะบุคคลเนี่ยต้องรู้เหตุเหตุต้องการเกิดเหตุต้องการดับเกิดดับเกิดดับ่ไเมื่อเราเกิดอย่างไรเราจะดับอย่างไรก็เดี๋ยวจะไปโยนถึงนิมม่อนทั้งห้า เป็นอริยภูมินคอนเซ็ปก็จะเป็นอริยสงอริยเจ้านะคนที่เป็นอริยสงเนี่ยจะต้องมีสมถะมีวิปัสสนาจะต้องมีศีลสมาธิปัญญาก็จะต้องประกอบด้วยสมถะวิปัสสนาแล้วก็สมถะก็คือการพิจารณากายในกายนั่นเอง เรื่องเราที่จกายในกาย ก, ายก็คือร่วมรู้ในตัวตนก็คือตัวปัญญาปัญญานะบอกคู่มันคือปัญญากับสติตสถิตก็ญญ ค, คือความรู้ตัวหลวงพ่อพยายามสอนวิไปเปลี่ยนมาให้เราเนี่ยละเอียดแล้วก็รอบคอบนะว่านล้อมให้เรารู้ที่ไปที่มาโดยจฉพาะสติตรรม เมื่อเราเข้าไปสมาทานคือการพิจารณากายในกายว่าโอ๋น้องมนุษย์เกิดมาเนี่ยล้วนแต่สมุติบ้านช่องก็สมุติเหนไหร่างกายเราก็สมุติร่างกายเราก็สมมติว่าชื่อในนั่งหนัง น, ง น, งนี่แต่ปู่ย่าตาทวดที่อยู่เนี่ยเขาก็ชื่อแบบเรานี้แหละแต่เขาไปไหนกันหมดทําไมไม่ล้มเมืองล้มโลก ก็มันดับเกิดและมันดับเหมือนอารมณ์เราเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ดับเป็นไงก็ขาดสติเห็นหมก็บอกไม่ยากขาดสติซี่ตั้งสติดีๆคิดดีๆตั้งใ จ, ใจดีๆลนทจเรียสอนแต่เรานั้ น, นนะรเรียนรู้คำพูดเรีนรู้คำพูดคำจาเรื่องวัตถีการมหรือไม่มโนก็คือจ เมื่อใจเราไม่มีสติไม่มีโเหุไม่มีติดได้กับเม p 谛จริงเจริงไม่มีสติบางอย่างจริงๆก็ไม่รู้เหตุก็คือความฟุ้งซ่านกาเกิดขึ้นความฟุ้งซ่านความรกใจความสงสัยนี่เนี่ยเรียกว่าทิฏฐิมานะถือตัวถือตนคือเป็นเจ้ามึงคือเป็นนายมึงคือเป็นผู้ใหญ่เป็นกองัง ผู้เป็นนายยกผูเป็นรัฐมนตรีผูเป็นนายทำเพ่อผูเป็นผู้ว่าูเป็นประหลัดเป็นอภิปรณีเห็นไอประหลัให้นายยกไออภิปรีอะไรทั้งหลายเนี่ยเมื่อกลับไปบ้านเนี่ยมันก็เหมือนกับโง่เป็นควายเหมือพวกเราเนี่ยไม่ได้เป็นกำลังรคนพวกนี้ก็หลงอยู่ในอำนาจนะคนพวกมีอำนาจ มีวาสนาวาสนาให้มันโตเป็นอย่างไรก็คือคนที่มีปัญญาทนั้นเองคนมีปัญญาเนี่ยกเรียนรู้อะไรได้เช่นเรียนหนังสือเขาก็จดจำได้มากกับคนอื่นการทำงานก็หาทางหาวิธีแล้วลงไปนอกก็เรียกว่าส ม, มนาไปดูสั ม, มนาไปดูงา น, งา น, ง, านงานนั้นงานนี้ เมื่อให้แหลเปลี่ยนทัศนคินในการคิดได้เห็นได้ยินได้ัได้เห็นรูปรูปนาเน่ถ้าทงพระก็เรียกว่ารูปนาได้เห็นแต่ทางนอกนเนี่ยก็เห็นแล้วก็อยากได้แต่ทางองค์สมัตพุทธเจ้ า, าว่าให้เห็นแล้วดับไปคือไม่อยากนะเมื่อเราเห็นกายเราตั้งอยู่ในขณะนี้เราเห็นล เ, เกิดขึ้นแล้วก็ับ เราก็คิดว่าเกิดมาแล้วจะต้องตายในที่สุดเราไม่เห็นว่าเราจะยังอยู่เป็นน้องตีพันตีแกีวแหวนเงินทองบ้านช่องของเราเนี่ยชีวิตเราเนี่ยก็ไม่สามารถทีจ่จะเอาไว้ได้ห ย, ยุดยั้งความตายไม่ ไ, มได้มันก็เกิดความปกปูใจเห็นไหมเมื่เกิดความปบปูใจในความโลภที่มีความอยากได้ในว่าปกเกิปัญหาเรื่เ เมื่อเราตัดหางเราออกไปเ้วยดยตรีต้องผู้แบบตัดหาปล่อยไว้มาอยู่วัดยังงอกเที่ยวัางยาวอีกก็ไม่ไหวจนหยุเยดเราเรามาปฏิบัติสมถะสมถะก็คือการพิิกสถานการไกายว่าล่างกายเราเนี่ยยังเอาไวไ้ไม่เยอะร้วนกะเป็นตันึกต่เป็นของไม่เที่ยงอารมณ์เราก็ไม่เที่ยงเพราะเราไม่เคยฝึกสติสตินมีความรู้ตัวมาก่อน มันก็ต้องบางเข้าเขียนกันด้วยเบมือนกับธรรมชาติต้นไม้จะขาดน้ำมันต้องตายชีวิตเราถ้าเท่าเดียวกันเหอนืองต้นไม้ต้นหนึ่งเพื่อถึงธรรมชาติขาดน้ำเราก็ต้องตายเช่นเดียวกันแต่ในขณะนี้เนี่ยที่เราจะขาดใจโผงผางตัวลายในไม่สบายใจเนี่ย ม่นเกิดจากความรอดความกวดความหลงเกิด ค, ความรู้สึกว่าเสียเหมือนมเมื่อเช้านี่ครับเวลาที่คุณปิดไฟทน้าเลยมาลึกติดเชื้อในกระแสเลือดเงินทองก็ไม่พอยงขาดสามหมื่เจ้าจงังวะไปให้ตั้กแตเช้ารุ่งเริ่คิดได้อย่างไรเนี่เพราคน เ, เร า, าบรรยากาศปิดนี่ยท้อง ม, มัได้เร่เกิดเหตุปุบเกิดปัจจัยก็เจอเห็นรู้พ่อความรู้แล้วก็เข้าใจ แต่เรามันไม่เคยถูกฝึกมาก่อนว่าความเสื่อมสลายความที่เป็นของอันหนึจังเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นเมื่อตัวเราต้องเป็นญาติเม่เป็นตัวเราต้องเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเพื่อนเป็นผูงตปักที่จะต้องเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเป็นเรื่องปกติป้นไม้ใหม่มันก็งอก อาศัยโดยต้งไม้เก่าที่ล้มตายลงไปเป็นปุ๋ยต่อไปก็เมือชีวิตเราเนี่ยเราจะดำรงชีวิตอยู่ได้เนี่ยก็ต้องอาศัยพ่อแม่เมื่อพ่อแม่แก่ชราก็ล้มตายลงไปเราก็งอกงามด้วยการได้รัสมบัติของพ่อแม่ได้านสติปัญญาได้รูปรักโร่งนารมมาจากพันทุกรรมของพ่อของแม่โูยใสหมา พ่อแม่เป็นโลกอะไรลูกก็จะเป็นตามเรื่องกับการตุกตักเรื่องกับกานติดตามมาการมันเป็นเท่าทางรเรื่องกับการุกตัเมื่อเรารู้เหตุแล้วเวาานี่ยเราก็กำหนดเมื่อเรามีความหวดูใจเนี่ยสติมันก็เกิดเมื่อสติเกิดรู้เหตุกปัญญามันก็รู้ธรรมร่างกายว่าโอโ๋เน วันหนึงถ้เราปวดเนี่ยเราเครียดเนกระเพาะเนี่ ย, ยมันก็มีสารออกมาหลั่งสารนร่างกายมันก็หลั่งหินปูนตามข้อตามกล้ามเนือเนีมันร้อนมากเหมือนเครื่องเนี่ยมันร้อนมากเนี่ยเราไม่พักมันเลยเนี่ยมันก็ไม่ไหวแต่เราองนึกซึงว่าตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยเราได้เคยมาทักตัวเองอย่างนี้บไหม พักกายพักใจอย่างนี้ไหมเมื่อเราพักกายพักใจเนี่ยอย่างนี้นไม่เคยเนี่ยมันก็รู้สึกว่าไม่ต่ออรที่เกิดขึ้นม่ๆรู้สึกดิรู้สึกสบายแต่พอเราไม่เคยจินอารมณ์ที่มันมีสติเล็กน้อยเราก็รู้สึกทั้งเเริ่มจะเจ็บขาปวดนั่นปวดนี่เริ่จมจะสงสัยใครม่ใครใครมันร้องใครมัน ตะกนใครเป็นเสียงอะไรลำการเสียงนั้นคนนั้ น, นมันคนนี้มันัมไม่เกี่ยวกับเราเลยเร า, เยาก็เคยจ้าเคยไายอย่าไปตำหนิเขาคนที่จา้าคนที่ตายในท้องก็ไ่ได้ตนใมันไม่เกี่ยวกับเราบางคนเถียง แในคนติดจามที่ไอเนี่ยไอ้ตัวเฮี้ยที่มันฝังอยู่ทางในมันเกมันเก อ, อยู่ก็คือหมายถึงว่าอารมณ์ที่มันเป็นโรคหาพยาิที่ที่มันรู้สึกว่าระคายเคืองทั้ง จ, จิตใจและกายเนี่ยมันเกามาเพราะฉะนั้นเราไม่สำงรอกออกมาเนี่ยหรือเราไม่พูดไม่ระบายออกมาเนี่ยบางทีมันก็ อัดใจเนีั้าเมื่ อ, อ, อ, อเราเข้าสู่สมาธิเสร็จวิปัสสนาเนี่ยมันก็ได้ของคู่กันสุขทุกข์เนี่ยก็เป็นของคู่กันเมื่อเราเป็นอริยะบุคคลเนี่ยเป็นบุคคลที่กายวาจาใจเนี่ยมีความผิงพร้อมก็คือความรู้สึกเรารู้สึกว่าร่างกายเราเบาสบาย เหมือนในขณะนี้ร่างกายเรารู้สึกเบาช่วงบนแต่มันเป็นอักช่วงล่างนะช่งล่างก็คือทั้งช่วงขามันรู้สึกว่าเจ็บปวดเมื่อยนั่งไม่ถนัดแต่จริงๆวมันเป็นปกติและมีหลายท่านมากงองาแล้วหัวห้อยอย่ในะหัวห้อยนี่หมถึงว่นนี่เป็นหลักนะเรายังเชอยู่ คนที่ทําสมาธิที่ขาหัวห้อยมุดจบนะมันไม่มีสเตที้อยากขับปรคับประคองเองเขาถึงบอกว่าให้ตัวต่องเราไม่ยอมเปิดเพื่อจะชิมเหนะมือกับพระบางรูันนั่งหัวหอยเราจะต้องนั่งตัวให้ต่องแสดงว่ า, าอารมณ์เรานั้นทั้งต่องอารมณ์เรานั้ น, แ, น, นแข็งทอเข้มแข็งทอ ที่จะฝืนความสึกได้อตาตมาก็ฟังแล้วก็เห็น <c oughs> เหนาบางรูปกำนังเดืดร้ อ, องบงรูปไม่ดีตก็เหรอแต่กุงองวุอแสดงว่ายังไม่ตั้งมั่นยังขาดสติในองคพงางเมื่อเราอยากเป็นอาริยะมงคลก็เป็นอาริยะสจอาริยะเจ้าเมื่อเรามีสมถะ หลวมทั้งมีวิปัสสนากรรมฐานแล้วเนี่ยเมื่อถึงท้อมแล้วเนี่ยคนที่จะเป็นอริยะเจ้าหรืออริยะสตร์ได้ต้องปิดปิดนิวรณ์ท้งหน้าให้ได้เรืองติดประตูหน้านกานนิวรณนก็คือรูปร่างกินเสียงโผดผาเมื่อเรายังหลงอยู่ในรูปหรือรูปนะไม่ติด ไม่มอเห็นว่าเขาโยมีหนาตาสวยเลยเราเห็นว่าเขาเขาเหมือกับซากศพมีนเลือด้เหอมีสกิ้ลายมีขี้โมมีขี้ตามีขี้หูมไม่หวานไม่ไม่ผีไม่ทงั้นตรงนี้ก็เหมือนีกอาทาในเขียนค้วไม่ใเียนเหมือนกับ บาที่เลิ้ยงที่ว่าไม่มีขนหรือไม่มีความเป็นธรรมชาติปลาที่มันต้องเป็นธรรมชาติจะโง่หูไม่ห้อยอะไรเป็นไปหมดมันไม่เป็นธรมนธ ร, รมชาติเราก็นึกถึงหน้าคนที่มันเป็นแก่ลงสวยแค่ไหนมันก็ต้องแกช่ชรารูกรกอยู่ยังติดอยู่การกินอยู่ เลีย้ยิดว่ารดน้ำดีรดนี้ดีดเพระพระเจ้าบอกว่าไม่ให้ตรงนี้เล่น อ, อาหารรเดเปรี้ยวหวานมันเก็มไม่ยินดีรู้สึกเฉยรู้สึกวางเฉยเวลาจะกินจะนอนก็ต้องพิจะะารณาว่านอนเนี่ยเราก็จะนอนโดยที่ไม่ขาดสติเราจะพิจารณาหมนามรกสติในขณะนอนเนี่ย ต้องพูดจาลา n ๆว่าผีที่มันตายมันประสานมือกันดอกไม้ทุกสามดอกแล้วก็เทียนเล่นเลแล้วก็มีสายสีมัดเกี่ห้อง น, นอนเสร็จเรื่อร่างกายเราก็เน่าเปื่อยจะต้องเน่านอนช่ อ, ช, อชัยจะต้องมีน้ำเหลืองมันไหลออกหนังก็ยุ่ยตัวก็เกลี่ยไป ทองก็พองหนอนก็กินหยุบหยับหยุบหยเมื่อเราเห็นตัวเราฟองเป็นอสุภก็คือกลางฟองเป็นศพของปุถุกันตาวลานอนก็มีสติและพระอริยสัจเวราเห็นก็ฟองเป็นความเป็นอานิจารเป็นทุกขันอนัตตาเมื่อเรายึดว่าพอมีสวยพอมีหล่อเนี้เราก็อาจจะเป็นเผยยิ่งดีก็เป็นทุกข์ได ยินดีพอใจบางอยางเม่มมอ เ, เมื่ อ, อมีท่านฟังชอบใจเรก็ระเบิดพอยาถูกต้องกอยากสัมผัส อ, อ, อยากทมเเ้าของอนระซออาการต่างๆนานาให้เห็นว่าเรามีความยินดีมีความต้องการนะแต้สเมก็ต้องแค่เป็กรรมเกรรมนออกเนี่ยมันก็จะต้องมีการเกิด เกิดอาการต่างๆนานาเกิดลูกเกิดเท่าพันเยี่บพันตกุกกและถ้าเกิดไม่ยินดีพอใจก็เกิดการทอดทิ้งมีความสูญเสียก็เสียเสียใจฆ่าการทำร้ายกันคนที่จะเป็นอาณิยังบุคคลเนี่ยจะต้องรักษาถือสมาธิปัญญาจะต้องมีสมาธาแล้วก็มีวิปัสสนารู้เหตุรู้ปัใจจัยในตัวตน ตัวเมียให้ตัวตวนที่ไม่หมองหมองแล้วรู้เหตุที่จะเกิดขึ้นอาเป็นอริยะบุคคลก็เป็นอริยะสองพระสองหรือโยมเด็กก็เป็นอริยะสองได้เมื่อมีความเป็นอริยะสองเด็กก็ดับยิ่หงหวนทางฆานเดยรูปเราเห็นรูปนามก็เป็นของอันนี้เป็นของนี้เที่เกิดขึ้นตั้งเดือกก็เสื่อมไประเราก็ไม่ยึดติดรู้เบี่ยวรู้หวาน รู้ในสิ่งที่เราชอบไป่ชอบก็เฉยเราเป็นไม่ร nah, ู้ทะาเย็นไม่เห็นทราเป็นไม่ยึดมั <Okay. S 1> ่นเกิด <elet> ่งหายเหมือนอารมณ์เรานักปฏิบัติในขนาดนี้เนี่ยเราไม่มีความโรคไม่มีความปวดไม่มีความเจ็เราไม่มีนิวรณปิดหูปิดปากปิดตาปิดกายปิดใจฟังรู้ข้ออย่างเดียวทาใจตัวอย่างงี้บุญบุญก็คือความวางว่าง เมื like s s ่อเรามีความว่างเปล่าว่างทุกสิ่งทุกอย่างนิ้วมอก็ผิดรูปเราก็ไม่เห็นหูเราได้ยินก็เคยได้ยินแต่สิ่งที่มันไม่ค่อยดีแต่ฟังหลวงพ่อแล้วก็เกิดความผิติชึ้งไถได้ยินเสียงพี่ดีได้ยินท่านนำคำสอนของหลวพ่อพูดเต็มที่รูปก็จริงแต่ง่แกงถามโยมพ่อก็กินเนี่ย ก็คือยัดมันเห็นยักษ์มันมีกี่หน้ายักษ์มันมีสิบหน้าสิบหน้าเนี่ยสิก็20่สิบรูเขาเป็นหน่งจ ม, มูกเรามี2โงรูเนี่ยแต่เราไปยินดีกินเนี่ยกั้ง20อย่างเนี่ยถ้ากิน20อย่างเราแยกได้กินหอมกินเหม็นกินหนนื่อ แต่เราทำทอกเราในขาะนี้เนี่ยไม่ได้กลิ่นแต่ว่าได้สัมผัสลมหายใจเข้าออกเห็นไหมออกสองโลเข้าสองโลหมายถึงออกสิบมันก็เข้ายี่สิบนี่แหละเราออกน้อยมันก็เป็นสองอยเห็นไหมรวบรวมความจนยักยักกไหมายถึงว่ามีพิสิทธิ์หน้าสิทหน้าก็คือ นึกถึงว่าเฉพาะหน้านี่ยเขามีรู7รูแหละตา2รูจมูก2รูก็เป็น4หูอีกสรูก็เป็น6กปากอีกรูนึงเป็น7จ็ดถ้าเจ็ดสอก็จะสิรูแล้วสิบหน้าเนจะ็ดรู70รูเนี่ยมันมีทางเข้าไอรูทางหน้าเราเห็นก่อน ตามองเห็นจะบกูกได้ยินจมูกได้ยินตาได้ยินร้และอีกก้าวหน้าละ่ะเราก็โมแต่คำว่าก้าวหน้าก็คือถอยหน้าถอยหลังเอียงข้างใต้ฟ้าให้มันสับสนวุ่นวายหมดสอกันมันกันไม่หมดกิเลสเลยมันปิดกั้นนั่นเองปิดกั้นภาวานาเราเนี่ยให้ไม่รับรู้ในสิ่งที่ความเป็นจริงก็คือขนาดพูดเนี่ยขนาดนี้ เราลองนักถึอว่าเจสิบโลที่เข้า อ, ออกแค่สองโลทะวางหนักกะทาวานหนอยแ ล, นอแล้วก็เกิดเราคิดแล้วเก็บเข้าไปในใจมันไม่มีโลออกนั่นคอบกเจ็บใจฝังใจคิดลึกเรือกว่าจิดใต้สึกเลยกินน้ากินข้าว ย, ยันไถ่ายกาอาหายหอบยันไถ่ปัสสาวะสุจจาระหรอง แต่อ้กินนิยเนี่ยถ้าเราปิดประตูนิยดไม่ได้ยอยวหวังเลยว่าจะเป็นอาริยะอาริยะสองอาริยะเจ้าได้เมื่อเป็นอาริยะสองอาริยะเจ้าพักปัดเทกับพระเจ้าเนี่ยมันก็ปิดกั้นประตรนะูนรกสวรรค์คนที่จะเป็น่ตกอยู่ในอาวายัยวะพวก็คือเวทสรุรกายสัตว์นในลิขิตก็คือวจีกรรมมโนกรรมกา ย, ยากรรม เมื่อเราตัด <único> ว <Liberty Overwatch throat> ัตถีก็หมถึงว่าไม่ยินดีนิ่งเสียอุเบกาเราก็จะเกิดบำเพ็ญเพียรในมีสติปัญญาในมากขึ้นมากขึ้นวัตถีกรรมมโนกรรมกายกรรมที่เราตกนรกอยู่ทุกวันนี่ก็คือวัตถีกรรมก็คือคําพูดมโนก็คือการคิดปรุงแต่งฝุ่นจ้างโดยที่มีสติรู้ไมมีปัญญาตระหัก วัตถกรรมมโนกรรมกายกรมกรมก็มคือยึดมัน่นถือมั่นใ น, ร, น, ในตตรูปนาในวงตาตูนในความเป็นิศที่มายนั้ถือตัวถือตเมื่อเราตัดวัตถกรรมมนโนกรรมกายกรรมติดเลยติดปีญักาวายใจนะคือเขิบัติแต่เราก็ไม่รู้ปวามายเมื่อเราเห็นรู้เหตุรู้ผลเราปิดกันความรู้สึกว่ามนุษย์จะเกิดแต่ความสมมุต ร่วมจะเป็นของอนิจจ์เป็นของไม่เที่ยงนะเมื่อเห็นตัวอนิจจ์ก็คือปองอสุภะก็คือสมาถะก็คือกายในกายการพิจารณาตัวเองนั่นเองเมื่อเราพิจารณาแล้วรู้รู้เท่าทันว่าอนิจจ์เนี่ยเป็นของไม่เที่ยงความเป็นนีิหมดเป็นอริยสงฆ์เกิดขึ้นเป็นอริยปุพพกุลแล้วก็นความชลาหนั้นเองก็คือวิปปัตนาการะ เด็กคุณโยมจะมองว่าไปไปวิพักษ์ามาทุกคนพูดแต่เรื่องปัญญาสมาถะสมมาถะก็คือการพิจารณาการเหตุการณ์ที่แยกกั น, กใ น, ใ น, ใ น, ในเมื่อเราเห็นเหตุเห็ น, หนตัวเห็นตนของเราเนี่ยด้วยสติด้วยปัญญามันก็เกิดขึ้ปัญญาคือความร่อบรู้ในของสรรมะเมื่อเราเกิดปัญญาก็าเป็นอริยบุคคลก็ขึ้นสู่อริยสงขา ว่าสองนี่ก็สปฏิปันโนความพทธีปฏิบัติชเมื่อเราความพีปฏิบัติชอบเป็นแนวเป็นกูปะอาการก็จะต้องรู้เหตุรู้ผลรี้ปัจจัยเพราะมีการฝึกมีการสวดมนต์ธรรมวจเตระภาวนาเกลซาโรมาขาทางกาตกาเกิดเป็นกรรมฐานกองแรกที่อุปฌานที่สองในหกเมื่อเป็นอริยสสงเนี่ก็ต้องปิดนิวรณ์ให้ได้ เจ็บโตก็คือ้าเลขของเบ็ดเหมือนกับทีเลเนี่ยมันเกี่ยวเบ็ดเอาเหยื่อมาล่อเราก็คือรูปยกกินเสียงพงกันนะแล้วรูปเรายังยึดติดรูปความเป็นเผ่าผันต้องเกิดนะ่รสก็หมายถึงว่าเรายังติดรสชาติการกินการอยู่ของเราเนี่ยมันก็จะต้องไปฝ้าหาทิ่อยู่แนะ่กิน เรายังติดกิ่นอยู่เนี่ยกิ่นนั้นกิ่นนี้มันก็ยังมีความยินดีต่อเครื่องประถินโถมันจะต้องหลงอยู่ในตกอยู่ในเขาไปรอบความสวยความงามความหลออมันจะต้องทุ่มลงจุ่มลายหานะความเพื่อสีนั้นสีนี้เมื่อเรามีรูปลบกลิ่นเสียงเมื่อเรายังยินดีต่อคำพูดยังโกรธต่อคำพูดยังยึดมั่นถือมว้น บ้านกับเสียงที่ได้ยินเนี่ยยังมีความโกรธพยาบาทอาฆาตยังมีความยินดีในเยืเ่อย่อพยาเตอ์ไม่เป็นความจริงบุคคลนั้นก็ต้องหลงอยู่ในกิเลสตกอยู่ในอาใบอยู่บนก ร, รของอารมณ์นั่นเองเอาละวันนี้ให้รู้เหตุแต่ยังไม่ีด้สอนลึกเขาา้าไปว่าพระอริยสงฆ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นคริยบุคคลเป็นอริยสงฆ์ ลมแรกก็เป็นเปตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแล้วก็เป็นมนุษย์สมบัติจากมนุษย์สมบัติก็เป็นอรารยภาพบุคคลเมื่อมีความเป็นอรารยะาบุคคลก็มีความเป็นอริยสงฆ์ไล่ไปตอนนี้มันเกิดขึ้นเป็นอรารยสงฆ์อรารยเจ้าขึ้หมาเนี่ยก็ชานก็แปลว่าชินเมื่อเรามีสติมีปัญญาระลึกได้กําหนดได้เนี่ยก็จะเกิดญาณญาณแปลว่าอยางรู้ รู้แรงรู้เหตุรู้ปัจจัยไม่ใช่แบบไ่รู้ว่าหวย อ, ออกอะไรจะคนนั้นเป็นอย่างนี้อดีตชาติมุ่งว่าเป็นหมดมันทดเจอือไปใหญ่เมื่อเราเป็นอาณาสองเสร็จอีกสเตจหนึ่งก็มีพง ม, มีหานศิกกเกิดขึ้นมีเมฆตากลืุนามุทิตาอรเบกขาพงนี่ก็เริ่มจะมีบริวารหรือเหมือนกันหลวงพ่อเนี่ยก็เริ่มจะ เลียงพวกเราได้านาดนี้อยู่ร่วมกันโดยที่ผาสุดมีเมตตาซึ่งกันและกันมีความกรุณาสงสารซึ่งกันและกันมุติตาคือไม่มีความอิจฉาหรือเสียดต่อกันมกมเมตตากัลปนามุติตาอุเบกขาคื ว, วางเฉยแต่จะทำยังไงก็เรื่องเรามันก็ไม่เกิดขึ้นความเป็นภพของมนุษย์ก็คือโยมก็เกิดเป็นภพ ตอนที่จะมาเป็นพรมยก็ต้องเป็นเทวดาสมบัติเทวดาของมนุษย์เลยก็คือกินดีอยู่ดีมีความทักเทียงนึกอะไรก็สมปฐาดาเราไม่นึกในเรื่องของอกาุศลก็คือความชั่วเไม่นึกเราัำนึกว่าเือน้องการปฏิบัติในร่างกายเรารู้สึกเกี่ยงสาดเนี่ยคนมีปัญญาเราจขึ้นไปไม่ใช่เรื่องยากแต่ว่ามัรสอนกันเล็กเท็จไ คนที่พึ่งปฏิบัติไม่ได้เนี่ยมันโดดเขาเล่ามาแล้วก็ประเภทหางอื่นนะเป็นหางเที่ยหมดนะเที่ยก็ยังกินหางได้ไอ้คนเที่ยเนี่ยหางมันไม่โลอกิดไม่ไดนะ้นอนไม่หลัก็คนที่หลงอยู่ในีเลกนั่นเองเอาละชาวชาย่างนี้ได้แนวเยอะมากได้ข้อเหตุรู้ปัจจัยว่าอ๋มอมันเป็นอย่างนี้เหรอ ยี่บุตครับค่ยคยอยค่อยถอนสวัสดี